เจรพรย่ารวมสวิทชนทุกท่านก่อนในขุททอนโมทนาทางหวงย่าแยกการองที่ได้จัดกิจกรรมทรรนองนี้ขึ้นมาได้ทราบว่าปีหนึ่งก็จัดสามครั้งเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้รับฟังนำธรรมะมาใช้ในการดาเนินชีวิตเพราะว่าในการดำเนินชีวิตคนเราเนี่ย ลำพังความรู้ทางโลกเนี่ยแม้จะจำเป็นสำหรับการทรรมหากินและการเลี้ยงชีพแต่ว่าก็ไม่เพียงพอการเลี้ยงชีพมันเป็นการตอบสนองความต้องการของร่างกายเป็นส่วนใหญ่เช่นทำให้มีปัจจัยสี่นะ ทำให้ชีวิตได้พอกความสะดวกสบายแต่ว่าคนเราก็มีไม่ได้มีเพียงแค่ร่างกายเรามีจิตใจด้วยร่างกายเราเนี่ยสุขได้เพราะมีปัจจัยสี่เจอนอกน้ำได้เพราะมีอากาศมีน้ําแล้วก็อาหารแต่จิตใจเนี่ยก็ต้องการดูแลต้องการการเอาใจใส่ด้วย สิ่งที่ช่วยทำให้จิตใจของเราเจรลง้อง้างได้เนี่ยก็คือธรรมะซึ่งถ้าจำแนกออกมาเป็นส่วนๆเหมือนกับอาหารอาหารเนี่ยก็ จ, จะประกอบด้วยโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่ธรรมะเนี่ยก็สามารถจะจำแนกออกมาได้หลายอย่างเหมือนกันเช่นสติสมาธิปัญญาเมตตากรุณา ไอ้สิ่งเหนี้เนี่ยมันเป็นอาหารใจเป็นสิ่งช่วยช่วยทำให้จิตใจเราเนี่ยมีสุขภาพดีมีคุณภาพดีแล้วก็รมถการมีสมรรถภาพดีด้วยนะเราจะมองข้ามเรื่องของจิตใจไม่ได้เลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยคนเราส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสาคัญกับร่างกายมากกว่าจิตใจได้ซ้ำทุกวันเนี่ย นะเราชําระหน้าชาระร่างกายเนี่ยวันหนึ่งหลายครั้งนะแต่ว่ากี่ครั้งที่เราได้ชําระจิตใจในแต่ละวันเนี่ยเรามองสองหน้าตัวเองในกระจกเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคไม่ต่ากว่าสิครั้งนะกเาาง็เคยทำพิจารพบ ว, ว่าคนในอังกฤษเนี่ย เวลาเู้หญินผู้ชายเนี่ยจะมองสองหน้าตู้ในกระจกในประมาณ3าสิครั้งก็คือประมาณทุกครึ่งชั่วโมงในช่วงที่ตื่นพวกเราก็อาจจะคงไม่ถึงกับแค่สิบครั้งเท่านั้นอาจจะมากกว่า น, นั้นแต่เรามีเวลาดูจิตดูใจของเราบ้างหรือเปล่าเรามีเวลาดูจิตดูใจของเราบ้างไหม วันหนึ่งเนี่ยเราเติมอาหารให้กับร่างกายของเราเนี่ยไม่น้อยกว่าสามครั้งหรือสามมือ้อบางคนมากกว่านั้นสินะแต่ว่าอาหารใจนะเรามีเวลาให้แค่ไหนวันนี้นเนี่ยการที่ทางโรงแยกกา๊าธรรมชาติขนอมเนี่ยจัดกิจกรรมทำนอนนี้ขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นการเติมเพิ่มเสริมให้ ชีวิตของเรามีความงอก ง, งามมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นคือเจริญงอกงามทั้งกายทั้งใจในส่วนความเจริญงอกงามทางกายเช่นาการสุขภาพกายที่ดีการมีความสะดวสบายทางกายก็ดีเนี่ยก็อาศัยความรู้ทางโรคอาศัยการทํามาหากินที่เรียกว่าสัมมาอาชีวะช่วยให้ร่างกายมีความสุดวสบาย ส่วนธรรมะนั้นเนี่ยช่วยทําให้ใจเนี่ยมีความสงบเย็นมากขึ้นทุกวันนี้เนี่ยนั่นาจะพูดไปแล้วเนี่ยความทุกข์ทางกายของคนเรารวมทั้งพวกเราในห้องประชุมนี้เนี่ยนะต้องถือว่าน้อยลงไปเรื่อยๆความทุกข์ทางกายนะเมื่อเทียบกับคนสมัยก่อนเมื่อเทียบกับพ่อแม่ครูญาติ ย, ยายของเราเนี่ยความทุกข์ทางกายจะมีมากกว่านะ คนสมัยนี้แทมรู้จักความหิวแล้วเพราะว่ า, ามีอาหารมีสิ่งเสพอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีเงินที่จะจับจ่ายใช้สอยเด็กสมัยนี้เนี่ยนะเรียกว่ามีของกินอยู่ตลอดเวลาในบ้านในตู้เย็นหรือว่า ท่านที่บ้านไม่มีอะไรเลยก็เซเว่นนะซึ่งอยู่ใกล้บ้านเนี่ยไม่เกินเจนาทีเดี๋ยวนี้เนี่ยร้านอาหารนะรทั้งเซเนี่ยนะมันอยู่แทบทุกมุมของประเทศใช้เวลาเดินทางเนี่ยไม่เกินเจดนาทีก็จะถึงแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยจะไปทำงานนี่ก็เหนื่อยนะต้องเดินไปนา ถ้าทำนานนี่ก็ต้องหน้าสู่ฟ้ า, าหลังสู่ฟ้าหน้าสู้ดินเจอแดดแผดเผาแต่ในนี้เนี่ยเราไปไหน เ, นเรานั่งรถเดินก็ไม่มากที่ทำงานของเราก็ติดแอร์ความปวดนะความร้อนความหนาวความหิวไม่ค่อยเป็นปัญหารบ ก, กวนคนสมัยนี้เท่าไหร่ แต่สิ่งที่เป็นปัญหาของคนยุคนี้มากนะ่ยคือความทุกข์ใจความทุกข์ใจเนี่ยแล้วก็น่าแปลกที่ว่าทั้งนั้นที่ยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ผู้คนมีความสะดวกสบายทางกายมากมีสิ่งอำนวยความสะดวกเราสามารถอยู่ในห้อ ง, องที่ติดแอร์เครื่องปรับอากาศได้ทั้งวันโดยที่ไม่เป็นต้องไปไหนเลยแต่แม้กระทั่งผู้คนก็รู้สึกมีจิตใจชื่นร้อนรุ่ม มีความหนักอกหนักใจมีความสึกเหมือนกับถูกหยีกคันความทุกข์ที่มันปรากฏกับคนสมัยนี้มันมาในหลายรูปแบบความหยีกคันความสึกถูกไฟเผาลนเร่าออรุ่มร้อนความรู้สึกเหมือนกับถูกมีดกรีดทําให้รู้สึกบาดรู้สึกเจ็บปวดนะหรือความสึกเคว้งความว้าวาเวนะอันนี้เนี่ยเราเรียกรลมๆว่าทุกข์ทาใจ ยังไม่รับความเศร้าโศกเสียใจความสึกผิดโดยเพพาะปัจจุบันที่ความเครียดเป็นปัญหาของคนสมัยนี้มากมันก็น่าแปลกเพราะ ว, ว่าทาั้งที่เรามีชีวิตที่สุดสบายมากขึ้นแต่ว่าความทุกข์ใจไม่ได้ลดลงเลยความทุกข์ใจเพิ่มขึ้นไปซ้ำดูจากอะไรน ะ, ะก็ดูจากยาที่ใช้ในการลด หรือบรรเทาความเครียดยาที่ใช้สำหรับคนที่เป็นโรคจิตประสาทรวมทั้งยาสำหรับการนอนให้หลับคนสมัยนี้นอนหลับยากมีเรื่องค้างขาดใจทุกคืนมานทีก็นอนเอามือกายหน้าขาการที่ที่อยู่ในห้องแอร์เตียงก็นุ่ม มีโทรทัศน์เปิดให้ดูตลอด24ชั่วโมงแต่ไม่มีความทุกข์ความทุกข์ใจมันเกิดจากอะไรนะแล้วทำไมความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยในกาที่ความสุดกสบายมากขึ้นเราจมาช่วงพวกเราทุกคนเนี่ยผงไม่ได้ปรารถนาความสุขทางกายเท่านั้นเราปรารถนาความสุขใจด้วย แต่ว่าความสุขใจบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อมมันดูเหมือนใกล้นะแต่ว่าพอเราวิ่งไปหามันมันก็ถอยห่างไปจากตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆเด็กหลายคนคิดว่าถ้าตัวนี้มีสมาร์ทโฟนมีไอโฟนมีโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยจะมีความสุขหรือว่ามีมีเครื่องเล่นเกมออไลจะมีความสุขแต่เขาก็ได้มาแล้วเนี่ย เขาก็ยังมีความทุกข์เขาก็พวกเขาอยากได้อย่างอื่นอีกผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันเราไปคิดว่าถ้าเรามีอาชีพการงานที่มั่นคงนะเรามีบ้านเรามีรถนะหรือแม้แต่เรามีคู่ครองที่เคยหมายฟองแล้วเราคิดว่าจะมีความสุขแต่หลายคนเมื่อได้ทั้งหมดที่พูดมาแล้วเนี่ยทำไมก็ยังมีความทุกข์อยู่นะ นี่เป็นปัญหานะที่เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนไม่น้อยถ้าทั้งที่ชีวิตเนี่ยก็ราบรื่นราบเรียบยิ่งไปกว่า น, นั้นเนี่ยบ่อยครั้งเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันมีความทุกข์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากับชีวิตของเรา คนเราเนี่ยแม้ว่าเราปรารถนาชีวิตที่ราบรื่นแต่ว่ามันไม่เคยราบรื่นไปตลอดมันจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเรามากบ้างน้อยบ้างมีสิ่งที่กระทบกระทั่งที่ทำให้รู้สึกเป็นทุกข์ขัดอกขัดใจอยู่เนืองๆยกตัวอย่างเช่นคำต่อว่าด่าทอคำติชิ้นนินทา ยังไม่ต้องพูดถึงความทุกข์ใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นเช่นความพัดพรากสูญเสียความเจ็บป่วยความทุกข์เหล่านี้เนี่ยถ้ามันเป็นก้อนใหญ่ๆ ห, หรือมันเป็นก้อนที่หนักๆนี่นะเราก็เรียกว่าวิกฤแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยนะก็คงปรารถนาใจาชืชอของเราเนี่ยไม่มีเรื่องราวเหล่านี้ แต่ว่าไม่มีใครหนีพ้นอันนี้เป็นข่าวร้ายข่าวร้ายคือว่าไม่มีใครที่จะหลีกพ้นหรือหลุดลอดจากวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะร่ำรวยไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีมีความมั่งมีเพียงแต่ก็ตาม ร้และ้แลวแต่ต้องประสบกับเห็ุร้ายประสบกับความไม่สมหวังและอาจถึงขั้นเจอวิกฤตในชีวิตในบทสวดนุนธรร ม, รรมวนะัตรเช้าโดยเพรา ะ, ะที่มีการแปลแบบส่วนโม่เนี่ยใครที่ส่วนุนธรรมวัตเช้าธรรมวัตรเย็นแบบส่วนโม่เนี่ย ก็จะมีคำแปลธรรมวัาชเาก็าจะมีตอนหนึงว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอันนี้มันเป็นความจริงทีเดียวนะไม่ว่าชีวิตเราเนี่จะมีความสาเร็จจะราบรืมแต่ว่าชีวิตมันไม่เคยโรยด้วยกลิ่นกุหลาบอย่างแท้จริง เพราะว่าความทุกเนี่ยมันรอยอยู่เบื้องหน้าแล้วและความทุกนี้มันก็อยู่ในตัวเราแล้วความทุกนั้นคืออะไรได้แก่ความเจ็บความป่วยความแก่ความจาก็บความป่วยเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับเราตลอดเวลาเพียงแต่มันไม่แสดงตัวออกมา การที่เรายังมีความสุขการที่เรายังกินอิ่มนอนอุ่นการที่เรายังเดินหนึไปไหนมาไหนได้เนี่ยมันไม่แน่เป็นหลักประกันเลยว่าพรุ่งนี้ชีวิตเราเนี่ยจะยังมีความสุขเหมือนวันนี้เพราะว่าความทุกที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันก็สามารถจะแสดงตัวออกมาเมื่อไรก็ได้บางทีก็เลยเรียกว่าความทูกเป็นสิ่งที่เบื้องหน้าลงแล้ว อันนี้คือความจริงที่เราต้องต้องยอมรับยังไม่ต้องพูดถึงความพัดพราก ส, ส, สูญเสียสูญเสียทรัพย์สูญเสียคนรักความเจ็บป่ปวยเป็นความทุกข์ทางกายแต่ความสูญเสียสิ่งรักของรักคนรักมันไม่ทำให้ทุกข์กายเลยนะแต่มันทำให้ทุกข์ใจ เช่นทรัพย์ถูกโกงเงินถูกขโมยนะรถถูกโจนปล้นไปไม่ได้ป่วยกายนะแต่ว่าป่วยใจคนรักนะตีจากเราไปหรือว่าคนที่เรารักเขาสูญเสียนะจากชีวิตของเรา นี่คือความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นเกิดขึ้นเมื่อไรมันก็กลายเป็นวิกฤตของชีวิตแล้วเมื่อมันเป็นความทุกข์ใจแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความทุกข์กายได้ง่ายนะคนที่สูญเสียคนรักคนที่สูญเสียของรักหรือว่าสูญเสียตำแหน่งนะที่หมายมั่นปั้นมือก็อาจะล้มป่วยเนะครียดความดัน ร่วหัวใจเพราะว่าทุกการใจมาด้วยกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยแม้ชีวิตเราเนี่ยจะไม่สามารถจะหนีสิ่งเหล่านี้พ้นแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเกิดขึ้นแล้วเราจะทุกข์ใจเสมอไปอันนี้เป็น ข่าวดีนะที่มาคู่กับข่าวร้ายข่าวร้ายก็คือว่าชีวิตเราเนี่ยมันหนีความทุกข์มันหนีปัญหามันหนีวิกฤตไม่พ้นนี่คือข่าวร้ายแต่ข่าวดีคือว่าแม้เกิดขึ้นแต่ว่าใจไม่ทุกข์ก็ได้เสียทรัพย์แต่ใจไม่เสียก็ได้สูญเสียคนรัก แต่ว่าใจปกติอันนี้เป็นไปได้ถามว่าจะเป็นไปได้อย่างไรตรงนี้แหละที่ธรรมะเนี่ยมันมีความสำคัญลำพังความรู้ทางโลกเนี่ยมันไม่ช่วยทำให้เรารักษาใจให้เป็นปกติได้แต่ธรรมะทางทางนะที่ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรักษาใจให้สงบ ไม่เสียพูดเสียคนหรือว่าเสียศูนย์ในอย่างที่เกิดเหตุร้ายหรือเกิดวิกฤตในชีวิตความพุก์ใจเกิดจากอะไรหลายคนจะบอกความทุก์ใจเกิดจากการที่มีสิ่งร้ายมากระทบกับเรามีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเรา ย่างที่จมาพูดมาสักครู่แต่ที่จริงเราไม่จําเป็นมีคนก็พูดไว้ดีนะเขาพูดว่าความสุขเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ห ม, มายถึงการที่ไม่เกิดเหตุร้ายในชีวิตแต่ความสุขอยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรความสุขไม่ได้อยู่ที่การที่ไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราแต่อยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับมันอย่างไร เอุ้ร่มันต้องเกิดขึ้นแน่ไม่ช้าก็เร็วไม่วันนี้ก็วันพรุ่งแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทุกเสมอไปเราสามารถจะเป็นสุขได้ถ้าหากว่าเรารู้จักรับมือกับมันและวิธีการรับมือกับมันอย่างแรกนะก็คือว่ายอมรับมันไม่ปฏิเสธไม่ผลักไสถ้าหากว่าเราพยายามปฏิเสธผลักไสเนี่ย เราจะทุกขึ้นมาทันทีไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเกิดมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาในห้องเนี่ยแม้จะเป็นเสียงริมโทนที่เพราะแต่ว่าทันทีที่ใจเราเนี่ยพยายามเพียบปฏิเสธผักสายเสียงนั้นเกิดความสึกไม่ชอบเสียงนั้นเกิดความชังเสียงนั้นเราทุกเลยแต่ถ้าเราเฉยๆเสียงมันจะดังก็ดังไป เราไม่ผักสายมันเออมันดังก็ดังไปมันธรรมดาถามว่าเราทุกข์มากไม่ทุกข์ความเจ็บป่วยเนี่ยทำให้ทุกข์กายก็จริงแต่ถ้าใจเราไม่ผักสายมันนะความทุกข์ใจไม่เกิดขึ้นความทุกข์ใจเกิดจากจิตที่มันดิ้นทั้งดิ้นเพื่อจะเอาแล้วก็ดิ้นเพื่อที่จะหนีเพื่อที่จะถอย เท่าินเพื่อจะเอาเนี่ยก็คือว่าเกิดความอยากเขาเกิดความอยากขึ้นจริงใจและทุกข์เลยเพราะว่ามันยังไม่ได้อย่างที่อยากอีกส่วนหนึ่งก็จะจิตที่มันผลักใสไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรก็ตามอันนี้เป็นความจริงพื้นฐานเลยนะว่าความทุกข์ใจเนี่ยเวลาเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเกิดสิ่งที่เป็นลบขึ้นมานเนี่ย ทำไมเราถึงทุกข์ใจเพราะใจเรามันผลักใสใจเรามันตัวติเสษนะมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าคนอื่นไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งภายนอกไม่ว่าเขาจะพูดไม่ดีกับเรานะแต่ถ้าเราวางใจถูกเช่นเราไม่เอาคำพูดเข้ามาเป็นอารมณ์เราไม่รู้สึกเป็นลบต่อเสียงนั้นคำพูดเหล่านั้นเนี่ยใจเราก็ไม่เป็นทุกข์ ใจที่ผักไสเนี่ยเป็นที่มาของความทุกข์เป็นเพราะเราไม่รู้ความจริงข้อนี้เนี่ยเราถึงปล่อยให้ความทุกข์ใจเนี่ยมาเล่นงานเราจริงๆแล้วเนี่ยคนเราทุกข์นะเพราะวางใจไม่ถูกจนะ เ, เรียกว่าเราทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราทําร้ายตัวเองก็ได้ พระตูตเจ้ากลับว่าคนพาเนี่ยทํากับตัวเองประหนึ่งศัตรูคนพานี่นะทำกับตัวเองประหนึงนนนะนหน่งศัตรูก็คือทําร้ายตัวเองบางคนทําร้ายตัวเองด้วยการกินเหล้าสูบบุหรีจนกระทั่งร่างกายเป็นโรคบางคนทําร้ายตัวเองด้วยการทําชั่วไปเบียดเบียนผู้อื่นก็ทําให้อยู่ร้อนนอนทุกข์ เขาไม่ต้องประสบวิบากเช่นติดผูติติดาวรถถูเขาทำร้ายเป็นการแก้แค้นอันนั้นเป็นคนพาลที่ไม่มีเสียงเป็นคนพาลที่เป็นหมงมุขอบายมุขแต่พวกเร า, เร า, เราท่านๆเนี่ยก็สามารถจะทำร้ายตัวเองได้ด้วยการที่ไปเปิดช่องให้ความทุกข์เนี่ยเขามาเล่นงานจิตใจ พระเจ้ า, จากลัาว่ามือที่ไม่มีแผลนี่นะจับต้องยาพิษก็ไม่เป็นอันตรายแต่ที่มันเป็นอันตรายเท่าไหรเพราะมือมีอแผลเมืเวลาเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยอย่าไปโทษยาพิษต้องมาดูว่าเป็นเพราะมือเราเนี่ยมันมีแผลไหมเมื่อมือมีอแผลก็เกิดช่องให้ยาพิษเข้ามาทาร้าย สุขภาพทำร้ายร่างกายของเราใจที่มีแผลก็ทาก็เปิดช่องให้ความทุกข์เข้ามาเล่นงานจิตใจเวลาค น, า เ, นเรามีความทุก์เนี่ยเรามักจะโทษสิ่งภายนอกโทษอิน้าอาการโทษคนที่พูดไม่ดีกับเราโทษคนที่โกงเเราไปโทษคนที่กันแกล้งเราแต่เราก็จะไม่ค่อยมาดูใจของเราว่าเป็นพอ้อนใจเราเปิดช่อง ให้สิ่งไร้ลายเนี่ยเข้ามาได้งานจิตใจหรือเปล่าคนอื่นเนี่ยสามารถจะขโมยรถเราไปได้สามารถจะขโมยเงินเราไปได้สามารถจะขโมยแจ้าแหลกเงินทองไปจากเราได้แต่ไม่มีใครขโมยความสุขไปจากเราได้นะฮะอย่าแต่ย้ำตรงนี้เนี่ย ไม่มีใครขโมยความสุขไปจากเราได้ขโมยอย่างอื่นนะขโมยได้แต่ขโมยความสุขขโมยไม่ได้เว้นแต่ว่าเราไปเปิดช่องให้เขามายัดเยียดความาวาทาาุกข์ใส่เราท่านอาจารย์เชษาสารโรท่านมีพาหมณ์ฝรา่งท่านพูดไว้ดีนะท่านบอกว่าไม่มีใครบังคับให้เราทุกได้ ไม่มีใครประวังคับให้เราโรกรธเกลียดได้มันมีเตี้ยมันมีแต่สิ่งที่มาเชิญชวนให้เราทุกข์ให้เราไม่พอใจมีแต่สิ่งที่มาเชิญหรือมาชวนให้เราทุกข์ให้เราไม่พอใจอยู่ที่ว่าเราจะรับคําเชิญหรือไม่อยู่ที่เราก็ว่าเราจะรับคําชวนหราอไม่ <K> ถ้าเรารับคําชวนแล้วรับคำชวนก็แปลว่าอะไรก็ <Geme S 1> แปลว่าเราก็มีส่วนร่วมในการทําให้ใจเป็นทุกข์ ไม่มีใครยัดเยียดความทุกข์ให้เราได้ไม่มีใครบังคับให้เราทุกข์ได้และไม่มีใครขโมยความสุขไปจากเราได้ถ้าเราทุกข์เมื่อไหร่นั่นแสดงว่าเราไปรับคำเชิญของเขาถ้าความสุขปัปหายไปนั่นเป็นเพราะเราไปเปิดช่องให้คนอืนเนี่ยมายัดเยียดความทุกข์ให้กับเราให้สาคัญมากเลยนะฮะเพราะเวลาเราทุกข์เนี่ยเราม้องจัดโทษคนรุ่งคนดี ใครด่าเราเนี่ยแล้วถ้าเราโกรธเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเรารับคำด่าของเขาเก็บเอาคำด่าขเขาในม้อยในใจในสายวตการเนี่ยมีพรามคำหนึ่งเป็นคนที่ปากร้ายแล้วก็ไม่ชอบพฤติกรร แย่งก็ตามด่าพือเจ้าตลอดทางจากนกระทั่งไปถึงเชตวันพระทีเจ้าก็สงบนะไม่มีไม่มีทีท่าอาการปรดแค้นหรือว่าขุนเคืองเลยรเพระองค์ก็ปล่ายเขาว่าจัาจบแล้วพระองค์ก็ขื่เขาว่าเนี่ยพรามเคยมีคนมาบ้านทําไมถามบอกมีสิ่งเราไม่อยากเป็ น, นสิ่งมาไล่ไต่อเ มีคนมีแขกมาเยี่ยมบ้านข้าพเจ้าเป็นประจำผู้เจ้าก็ถามว่าเวลามีแขกมาเยี่ยมบ้านท่านเนี่ยท่านทำอย่างไรข้าพเจ้าก็เอานะ้าเอาของของบเคี้ยวมาต้อนรับผู้เจ้าก็เลยถามต่อไปว่าถ้าแขกเลือกทันตุการแล้วเนี่ยไม่รับน้ําไม่รับของของบเคี้ยวแล้วเนี่ยของนั่นจะเป็นของใครพระรามก็ตอบว่าก็เป็นของข้าพเจ้าสิผู้เจ้าก็ตอบว่าฉันได้ก็ฉันนั้น เมื่อท่านด่าเรานะเราไม่รับคําด่านั้นเนี่ยไอ้คําเรานั้นจะเป็นของใครแต่ว่าพระเจ้าทําให้ทุกเลยนะที่พรามาด่ า, ดาเพราะว่าพระองค์เนี่ยไม่รับคาาําคด่าของเขาไม่เอาคําด่าเขาเนี่ยมามีคนหนึเขาเขียนไว้ดีนะเขาพูดว่าคําต่อว่าด่าทอเนี่ยก็เหมือนกับคนที่เขียนจดหมาย ส่งทางไปรษณีย์แต่ถ้าเกิดผู้รับเนี่ยไม่รับจดหมายแล้วเนี่ยจดหมายนั้นจะไปไหนไปไหนทราบไหมยฮัก็กลับมาที่ผู้ส่งใช่ไหมจดหมายเนี่ยเราส่งไปหยอดทางไปรษณีย์ถ้าผู้รับไม่รับเนี่ยจดหมายนั้นมันจะไปไหนก็กลับมาที่ผู้ส่งนะฮะด่าใคร ถ้าคนนั้นเรียไม่รับไอ้คำดา่านล้วก็ย้อนสะท้อนกลับมาที่ตัวเองให้คุณเจา้าของพูดช น, นิดคำก็แกก็สะดุดเลยนะแล้วแกก็ได้คิดเลยนะโอ้ใช่นะเห็นไหมคำด่าเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นกับเราและถ้าเราทุกก็แสดงว่าใจเราไปเปิดรับคำดา่าเอาคำด่าเข้ามา ถ้าทำอย่างจะไม่ทุกข์ก็ไม่ต้องเอาคําด่าเขาเนี่ยมาเก็บไว้ในใจนะอันนี้เห็นไหมเข้าใจไหมว่าเราทุกข์นเนี่ยนะจะไปโทษเขาอย่างเดียวไม่ได้ต้องโทษเราด้วยว่าเป็นเพราะเราเนี่ยใจยเราไปเปิดช่องไปไม่ใช่เปิดช่องเดีย ว, ยวไปช่วยเอาคําพูดของเขาเนี่ยมาคนฉลาดเนี่ยนะเขาไม่รับเอาคาําด่ามาไว้กับตัวเอง เก่อสีชังเนี่ยมีวัดวัดหนึ่งน ะ, ะชื่อวัดท่ามเรศเปลกเก่อสีชังุมเด็ีผู้ก่อตั้งเนี่ยก็คือหลวงพ่อประสิทธิ์เาวโรถ้ามาเห็นวัดร้างท่านก็เลยมาบุกเปิดวัดร้างนะั้นแต่ปรากฏว่านักเรียท้องถิ่นไม่พอใจคงอยากจะยึดครองที่ดินในวัดร้างก็พออยายามหาทางกลั่นแก้งหลวงพ่อแล้วก็พระแม่ชีที่มา ดีในวัดบางทีพระเดินมีนาบาดจะก็อ่พวกนักเลงก็มาเดินชนตกนกระทั่งบ้าเนี่ยตกพรางนี้ลงแต่ว่าพระท่านก็ไม่ถูงโชคเกิดคืนนะหลวงพ่อสิทธิ์ท่านก็ทีแรกท่านก็เหมือนจะถอนใจแต่ต่อหลังท่านก็คิดว่าอยู่ต่อดีกว่าเพราะว่าจะได้ให้เพราะวันนึงเป็นประโยชน์กับญาติโยมด้วยมีวันหนึ่งก็มีท่านก็เดิน่างหมู่บ้าน ผ่านหน้าบ้านของนักเลงระดับหัวหน้าไอ้นันเกเลงคนนั้นเนี่ยพอเห็นหลวงพ่อประสิทธิเดินผ่านล้วก็ถือโอกาสด่าทึ่งเลดา่าเฉยเฉยหายกูกูมึงๆึงเลยนะหลวงพ่อท่านได้ยินปกติเวลาเจอเหตุการณ์เงี้ยคนเราทํานี้ทําอย่างได้อย่างหนึ่งในสองอย่างก็คือทําหูทนลงหรือสองโปรกหลวงพ่อปสิทธ์ไม่ทําทั้งสองอย่างท่านเดินไปหาเขา เดินไปถึงตัวแล้วนะแล้วก็จับแข็นขยับมึงด่าใครมึงด่าใครก็ด่ามึงนะสิเดีไ <c oughs> อ, อ้นักเรียนะ้พูดกับพานะก็ด่ามึงนะสิ <c oughs> ท่านนี้ท่านได้ฟังท่านก็ยิม้มบอกอ๋อแล้วไปที่แท้ก็ด่ามึงดีแล้วอย่าด่ากูแล้วกัน <c oughs> ถ้าไม่ทุกเลยใช่ไหมเพราะท่านไม่รู้สึกว่าเขาด่ากูไงเพราะท่านก็เออเขาด่ามึงดีแล้ว <c oughs> นะ ที่แท้ก็ด่ามึงอย่าดา่ากูแล้วกันนะเอาวิธีนี้ไปใช้ก็ดูนะเห็นนะคนเราทุกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามีคนด่าเราแต่ทุกเพราะว่าเราวางใจไม่เป็นกับคำดานะ่านันเราไม่รู้จักหลบไม่รู้จักปักออกไปจากใจนะอันนี้เนี่ยมันเป็นหลักที่ใช้ได้กับเรื่องอื่นที่หนักหนาสาหัสกว่าคาต่อว่าดา่าทอ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอความทุกข์เวลาเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่สมหวังเหตุการณ์ที่เป็นลบหรือแม้กรทั่งเกิดวิกฤตในชีวิตอย่างแรกที่เราควรทำก็คือว่าหนึ่งรักษาใจให้ปกติและ ต, ตามาเห็นว่าถ้าไม่พอนะควรจะทำยิ่งกว่านั้นก็คือว่าใช้ประโยชน์จากมัน หาประยู่จากมันให้ได้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรานะอย่างแรกที่เราควรทำถ้าเรารักตัวเองนะรักษาใจให้ปกติถ้าเราไม่รักตัวเองนะก็ต้องเป็นบ้าเป็นหลังหมดเนื้อหมดตัวกับมันคุ้มครั่งเสียใจโรกรธเกลี้ยวนะ คนที่ทําเช่นนั้นเนี่ยเขากำลังทําร้ายตัวเองกําลังทางกับตัวเองประหนึ่งเป็นศัตรูแต่ถ้าเรารักตัวเองนะมันจะเห็นร้ายเนี่ยประการแรกคือพยายามรักษาใจใปกติและสองฉลาดกว่านั้นนะคือหาประโยชน์จังใจใหันรักษาใหไทยปกตินี่คือเท่าทุนหาประโยชน์จังหวนเนี่ยแปลว่ากําไรเจอเหตุร้ายกับกับเราเราก็สามารถจะกําไรได้นะเมื่อสักสองปีที่แล้วเนี่ย ปีที่แล้วมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษคุณลุงคนหนึชื่อโรเจอร์อาอยุสักหาสิบกว่าแกกำลังเดินเล่นอยู่หน้าบ้านเพื่เสียจูงจูงหมาด้วยจู่ๆเนี่ยก็มีผู้หญิงคนแนึงเนี่ยวิ่งมาชนข้างหลังพอแกล้มเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็เอามีดเนี่ยจงแทงตามลาตัวตามแขนตามขา ส0สิบแผลแล้วก็ปล่อยให้แกเนี่ยนอนตรงกองเลือดโชคดีที่มีคนในเหตุการณ์ก็เลยพาแกส่งโรงพยาบาลทันแกมารู้ภายหลัง ว, ว่ามีคนผู้หญิงคนเนี้ฆ่าคนมาแล้วสามคนไม่รู้โดนมีเล่นเดียวกันหรือเปล่า อีกสองคนถูกแทงปางตายหนึ่งในนั้นคือตัวแกพี่อยู่หน้าอายุสามสิบแล้วก็คนที่เป็นเหยื่อเนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรโกรธเครืองกับพี่คนนั้นเลยเรื่องนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เมื่อคุณลุงแกรเริ่มจะปลอดใครก็มีผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์แก ว่าแกอยากจะพูดอะไรกับหญิคนนั้นไหมถ้าได้เจอแกบอกว่าเนี่ยผมอยากจะถามเธอว่าทำกับผมทำไมทำไมถึงทำกับคนอย่างนี้แกไม่มีทีท้าโปรดแค้เลยนะนักข่าวถามกากใบว่าในเหตุการณ์คนี้เนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณบ้างไหมแกบอกว่ามันทำให้แกได้คิดนะว่า วันหนึ่งตื่นขึ้นมากำลังเดินเล่นอยู่หน้าบ้านจู่ๆก็อาจจะมีรถรถโดยสารรถเมลเนี่ยวิย่งหมักับก็ได้อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำทุกวันให้ดีที่สุดจ ะ, จะต้องทำจะต้องทาสิ่งที่ดีที่สุดทุกวันคุณลุงคนนี้เนี่ยตั้มารัาแก การที่แกไม่โกรธนี่นะถ้าถือเป็นเรื่องแปลกเพราะคนเราเนี่ยถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็จะมักจะบผล่ตีโพตีพายว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นหรือจะคิดไปแค่ไปว่าเนีโหโชคร้ายเหลือเกินหรือจะโกรธถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยทุกข์นะทาไมต้องเป็นชั้นหรือโกรธเครืองที่อยู น, นั้นเนี่ยพยาบาททุกแน่นอน แต่ว่าคุณลุงโรเจอร์เนี่ยแกแกไม่เหนียาการเช่นนั้นแกไม่มีความโกรกลือ้อแกไม่มีความรู้สึกสมเพศพัฒนาตัวเองยิ่งวันนั้นเนี่ยแกยังได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ที่มันทำให้แกได้คิดว่าอะไรๆะก็ไม่เที่ยง จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาทเพราะฉะนั้นต้องทำความดีต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำสิ่งที่ดีที่สุดทุกวันกรณีนี้เนี่ยมันให้งานที่อยู่สองประการอันที่หนึ่งคือว่าเมื่อเกิดเสียดายแล้วเนี่ยควรรักษาใจาให้ปกติ และสองหาประโยชน์จากมันบางคลนลงโเจอร์ี่แกหาประโยชน์จากเหตุการณ์นี่แกมองว่ามันมันสอนอะไรแกบ้างแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะตีโพยตีพายโกรธแค่อันนี้เราขาดทุณก็ก็ไม่ได้เลยจากเหตุการณ์นั้นเลยกับคิดแบบคิดว่าเแบบ ร, ราซวยสนะิคนฉลาดเนี่ยนะเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นในชีวิต จะรู้จักรักษาใจให้ปกติแล้วจับ ย, ยามหาประโยชน์จากมันคราวนี้มาดูกันว่าเราจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้อย่างไรนะจะรักษาใจให้ปกติได้อย่างไรอย่างแรกคือการจะรับความจริงเมื่อเรายอมรับความจริงแล้วเนี่ยใจเราจะทุกข์ใจเราจะแสบาจาน้อยลงคนเวลาปวด เราพบเช่นพบตัวเองเป็นโรคมะเร็งถ้ายิ่งโกรธตีโพยตีภายไม่ยอมรับความจริงก็ยิ่งเป็นทุกข์ไม่ใช่แค่ทุกข์กายแต่ทุกข์ใจด้วยการยอมรับความจริงเนี่นะมันเป็นมันเป็นบันไดขั้นแรกในการที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ทุกข์ใจไปกับเหตุร้ายที่เกิดขึ้น มีหมอคนหนึ่งก็เล้ฟังว่าวันหนึ่งการได้รับมอบหมายให้ไปไปเยี่ยมไข้ผู้ป่วยคนหนึ่งหมอคนนี้เป็นผู้หญิงแกก็มาขอดูประวัติเห็นประวัติแล้วก็หนักใจเพราะว่าผู้หญิงพ่อคนป่วยนี่แกเป็นแมลงป่าแมลงที่ใบหน้าแล้วมันก็บันก็ลามเมลงเนี่ยมันกัดกินก้าใบหน้าของเขาไป จนกระทั่งไปถึงจมูกแล้วก็่างบางส่วนเป็นเป็นรูใหญ่ปวดแต่ปวดมากแล้วคนที่เป็นโรคมเร็งชนินี้เนี่ยในอเมริกาเนี่ย่าตัวตายหนึ่งในสี่หรือยี่ส้าเปอร์เซ็นเพราะว่าเครียดเนื่องจากคนที่เป็นมะเรงนี่นอกจากหน้าตาจะไม่น่าดูคนไม่คอยอยากเข้าหาแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะไปเดินเหินอยู่ข้างนอกได้ เพราะว่าถ้าไปเจอแดดแล้วเนี่ยมันจะปวดกล้ามขึ้นต้องเก็บตัวอยู่ในห้องนะแล้วก็มีม่านปิดแบบนี้แหละมีแดดมีเปิดไฟเบาๆ เ, เ, เปิดเปิดไฟอันอ่อนคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคนไม่ก็คนไม่ค่อยกล้ามาเยี่ยมแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวในห้องในห้องเนี่ยก็จะไปโล้สึกเศร้าหรือไม่ก็เครียดเพราะนั้นการฆ่าตัวตายถึงหนึ่ในสี่เป็นเรื่องธรรมดา แต่หมอคนนี้เนี่ยเขาจะไปเยี่ยมคนไข้เนี่ยเพราะว่คนไข้ไม่ได้มีอาการแบบที่แกคาดต้อนรับขับสู้หมอดีโอภาปราศัยแล้วก็ชวนหมอคุยประโยคแรกที่ที่แกถามคืณถามว่าคุณหมอเป็นไงสบายดีไหมก็คือว่าเป็นคนที่อ่ไม่ได้หมกมุ่นอยู่ความทุกข์ของตัวเองคุยไปคุยมาเนี่ยแก แกก็เล่าวันเนี่ยสมัยที่แกเป็นหนุ่มเนี่ยแกกินเหล้าสูตรปรีเยอะสำเร็จเทเมาจนกระทั่งครอบครัวก็ต้องแตแกแยกลูกก็ต้องไปอยู่กับภรรยาแต่สุดท้ายแกก็มาอดตัวเองเป็นมะเร็งการที่แกการที่แกยอมรับว่า ไอ้การใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยมันมีส่วนทําให้แกเป็นมะเร็งเนี่ยน ะ, ะคือแกแก่เห็นว่าที่แกเป็นมะเร็งเนี่ยส่วนก็เพราะว่าใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องมันก็ทําให้แกยอมรับความจริงได้เพราะมันก็ดูมุ่งสมงเหตุสมผลแต่สิ่งที่ทําให้แกยอมรับความจริงได้มากกว่า น, นั้นเนี่ยก็คือว่า วันวันแกไม่แ ก, แกไม่แกไม่ได้ทำอะไรนะออกไปเที่ยวนู้นนั่นก็ไม่ได้ตอนนั้นวานวังแกก็ดูโทรทัศน์และโทรทัศน์ช่องที่แกดูกต่พิเศษคือช่องซีเอ็นเนีเอ็น็มีเรื่องข่าวขาวเกี่ยวเอย่างก็เหตุร้ายภัยพิบัติแผ่นดินไหวน้าท่วมอาจจกรรมสงครามก่อการร้ายแกดูไปดูไปแกก็ได้คิดขึ้นมาว่าเออความทุกข์นี่มันเป็นธรรมดาของมนุษย์นะ ใครของ็ทุกขกันทั้งนั้นไม่ว่ารวยหรือจนแล้วจุดหนึ่งแกก็พอเห็นเลนะืนองความทุกข์ของแกเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความผู้ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์การที่แกเห็นว่าความทุกขแกเนี่ยมันเป็นส่วนของความผู้ที่เกิดขึ้นของมนุษย์มันเป็นธรรมดาทำให้แกยอมรับความจริงได้ทำให้แกยอมรับโรคของแกได้เมื่อแกยอมรับโรคงแจได้เนี่ยแกยกไไ็ไม่ได้ทุกข์ใจอะไรเท่าไหร่ กายนี่ยปวดอยู่แตใจไม่ทุกข์เพราะเห็นว่าความทุกข์เป็นธรรมดาทีนี้แกต้องการเพียงแค่ก็คือเพียงแค่ว่าอยู่ให้อยู่ให้นานที่สุดเพื่อจะได้มีเวลาหยุดกับลูกเพราะว่าไม่คยได้มีเวลาอยู่กับลูกเลยแกก็พยายามรักษามื่อรักษาตัวให้ดีพอบอว่าแกอยู่ได้สามหเดือนแกก็อยู่ได้เป็นปีแล้วก็แกก็ตายแบบไม่ทุรนทุราย แล้วตอนนี้นี่น่าสนใจนะคือว่าหลายคนเนี่ยอาจจะป่วยน้อยกันแกแต่ทุรนทุรายไม่มีความสุขบางคนไม่ป่วยเลยแต่ว่ากินไม่ได้นอนไมห่หลับทั้งที่ชีวิตที่ก็สะดวกสบายอยู่หลายคนเนี่ยไม่ป่วย กินอิ่นอนอุ่นครอบครัวก็ดีแต่ว่าทุกปภาษาภาษาอยากตายเพียงเพราะว่ามีสิวไม่กินไปบนใบหน้านขณะที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยจะเป็นมะเร็งจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าแกจใจแกไม่ทุกข์เลยเห็นความแตกต่างนะคนหนึ่งเนี่ยไม่ป่วยเลยนะแต่เพียงแค่มีสิวไม่กินไปบนใบหน้านี่ก็ทุลมทุรายนะแต่คนหนงเนี่ย ป่วยหนักแต่ว่าใจไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะเขายอมรับความจริงได้ก็ยอมรับโรคของตัวเองได้การที่หนุ่มสาวหลายคนเนี่ยเด็ผู้หญิงเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยยอมรับไม่ได้ที่มีสิอ่ออะไรจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ถ้าเกิดคุณยอมรับไม่ได้เนี่ยนม้นจะเป็นเหตุการณ์เล็กๆมันก็ทุกข์มากแต่เหตุการณ์เหตุร้ายแม้จะใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าใจยอมรับได้มันก็ไม่ทุกข์ อย่างเมื่อต้ไปทุกใจประการต่อมาก็คือว่าการยึดจับปล่อยวางการปล่อยวางคนเราทุกข์เนี่ยเพราะว่ายึดติดนะการที่ผักใส่ไม่ยอมรับความจริงก็เป็นการยึดติดแบบการที่คําพูดของใครบางคนเนี่ยมันทําให้เรากินไม่ได้นราไม่หลับทําให้เราเครียดเนี่ยเพราะอะไรก็เราปล่อยวางไม่ได้ก็เ ร, เราไปยึดมันเอาไว้ คนเราทุกเนี่ยาะความปล่อยาะปล่อยวางไม่เป็นนะมันมีวิธีการจับลิงแบบหนึ่งนะที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านไม่ว่าที่ไหนที่ไหนเนี่ยพวกเราจะเคยได้ยินนะก็คือการอาจจะใช้ใช้กระบอกไม้ไผ่เจาะรูเล็ก พอให้ลิงเนี่ยเอามือ ล, ล้วงเข้าไปได้และในกระบอกไม้ไผ่แล้วเนี่ยก็มีพวกถั่วพวกอาหารให้ลิงเนี่ยเอามือ ล, ล้วงเข้าไปบางทีบางแห่งก็ใช้ใช้ใช้ลูกมะพร้าวเจาะรูเล็กๆแล้วก็เอาลูปมะพร้าวนวี่ผูกไว้ผูกไว้กับหลักลิงเนี่ยนะมันก็รู้ดังข้างในมีอาหาร มันทำยังไงฮะมันก็มือล้วงเข้าไปพอมันพอมันได้ถวัวได้อาหารเนี่ยมันก็กำเอาไว้แต่พอมันจะดึงออกมามันดึงไม่ได้มันดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ได้ไม่ออกแล้วมันก็ไม่ยอมปล่อยโจกท่าพรานนะหรือว่าเจ้าของสวนเนี่ยมาเห็นมันก็หนีนะ แต่มันก็ปีนขึ้นต้นไม้นี่ไม่สะดวกเพราะว่ามือเนี่ยมันติดกระบอกไม้ไผ่สุดท้ายนก็ถูกจับมันถูกจับข้ออะไรนะเพราะมันไม่ยอมปล่อยมันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมแบมือครานเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นความทุกข์เราเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเหมือนกับลิงอ่า ถ้าว่าเราไม่ยอมปล่อยไอ้ความทุกข์มันก็สามารถจะมาเล่นงานเราได้มีคุณยายคนหนึ่งเนี่ยอายุเจ็สิบกว่าป่าสิบแล้วแกทำสซ้อยคอหายเป็นส้อยมรกฏกินแกทาตกเอาไว้แล้วก็คนงานซึ่งเป็นพ่อม่เนี่ย ปัดกวาดเงี้ไม่ทราบปัดกวาดลงท้องล่องไปเลยแล้วก็หาไม่เจอจะทุกข์มากเลยจนกระกินไม่ได้นอนไม่หลับสุดท้ายป่วยจนระทั้งหลานซึ่งเป็นพระเนี่ยนะต้องลาต้องออกต้องลามาสัตตาหามาเพื่อจะมาเยี่ยมที่รล้นร่วป่วยหนักเป็นมะเร็งหรือเปล่าที่จริงไม่ใช่ป่วยหนักเพราะว่าของหายตรองใจทําใจไม่ได้ นี่เป็นพ่อปล่อยวางไม่เป็นนะไม่รู้จักปล่อยวางคนเราเนี่ยถ้าจะเสียนี่ยก็ขอเสียแค่ทรัพย์ไม่ควรเสียมากกว่า น, นั้นคนฉลาดเนี่ยถ้าเสียเงินก็เสียแต่ทรัพย์ใจไม่เสียแต่ถ้าคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยถ้าเสียทรัพย์แล้วเนี่ยก็ปล่อยให้เสียก็ใจก็จ เ, เสียตามไปด้วย พอใจเสียแนละ้วสุขภาพก็เสียพอสุขภาพเสียทำงานทำการก็ทำไม่ได้เสียงาน ấy. และพอหงุดหยิดพอมีความทุกข์เวลาอยู่ใกล้ลูกก็ระบายความทุกข์ใสยลูกเวลาอยู่กับภรรยาสามีก็ระบายความทุกข์ใสภรรยาสามีาามสาาสามใส่เพื้นเสียสมรรถภาพอีเสียเดิมทีเนี่ยเสียแค่เสียแค่ของ แต่พอวางใจไม่เป็นห้ยยึดติดถึงมาก ๆ, ๆเนี่ยก็เสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียสมรรธภาพเสียของเนี่ยคุณื่นทำเขาขโมยไปเขาปัดกวาดลงถังขยะลงร่องแต่เสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียสมรรถภาพเนี่ยใครทําะตัวเองทำเพราะอะไร เขาปล่อยวางไม่ได้ถ้าคนเราทําไปปล่อยวางนะเขาทำร้ายตัวเองแต่ถ้าปล่อยวางเนี่ยมันก็แค่เสียอย่างเดียวมีนายตำรวจคนหนึ่งถ้าเอ่ชื่อตอนนี้ก็กคงจะรู้จักเขาเป็นนายตำรวจที่มีชื่อเสียงด้านความซื่อสัจจะเลยมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงพ่อชาสุภัทโทนะ วัดหนองปลาปงเนี่ยท่านยังมีชีวิตยอยู่ในตระวนท่านนี่ก็มาไปกล่าวหลวงพ่อชาแล้วก็ระบายความทุกข์ระบายว่าทํางานเนี่ยมีแต่คนกลั่นแกล้งคอยเลื้ยขาเก้าอี้มีแต่คนคอยจ้องจับผิดเพราะตัวเนี่ยเป็นแกะดําที่จริงเป็นแกะขาวท่านแกะดามากกว่า คือเป็นคนซื่อสารสกิริงเนี่ยแต่ทหารไอ้ตำรวจที่นเนี่ยตลองล้อ้อมรอเนี่ยก็ไม่คยซื่อสา์เท่าไหร่หลวงพ่อชาก็าฟังนายตำรวจคนนี้ระบายประมาณสี่สิบห้านาทีได้ภุ้มใจเสียใจว่าทำดีไม่ได้ดีซื่อสารสกิริงแต่ว่าไม่ประสบความเจริญก้าหน้าไหนหน้าในรัชการเพราะเขาระบายเสร็จหลวงพ่อ ชาขึ้นก็บอกชี้ไปที่ก้อนหินก้อนหนึน่งนะตรงลางหน้าสุติท่านถามว่าหินก้อนนั้นเนี่ยหนักไหมหนักครับแบกบไหวไหมแบกบไม่ไหวครับถ้าแบกไม่ไหวก็อย่าแบกมันสิไปแบก ท, ทําไมนายตุลธนนั่นก็ได้คิดเลยนะได้สติขึ้นมาทันที ว่าเป็นพ่อเราไปแบบเราไว้แล้วทีเราทุกเพราะแบกนะเราทุกเพราะแบกองค์พ่อชั้นเขเนี่ยทุกมีเพราะยึดทุกทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะปล่อยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยนะไอ้ที่เราทุกตอนนี้เนี่ยนะเป็นพราะเราไปแบกเอาไว้ถ้าเราไม่รู้จักปล่อยนะเราจะจะไม่มีความเบาใจ บางคนทุบพระนี่สิตมีคนถามหลวงพ่อพยอยามว่าเนี่ยวัดหลวงพ่อเนี่ยมันนี้ที่วัดสวนแก้วเนี่ยกู้เงินมาหลายสิบล้านเพื่อพัฒนาวัดเพื่อพระทำโครงการช่วยเหลือชาวบ้านหลงพ่อทุกข์ไหมหลวงพ่อเครียดไปหลายสิบล้านเนี่ย หลวงพ่ดดนะอท่ทอนทนนทานพูดดีท่านบอกว่าจะเครียดจะทุกข์ไปทําไมไอ้คนที่ควรจะเครียดควรจะทุกข์มากกว่าคือเจ้าของเงินแล้วว่าเราจะมีปรรยายจ่ายให้เขาไหมแต่ว่าอาตมาไม่ทุกข์หรอกนะท่านพูดดีนะคนที่ควรจะทุกข์เนี่ยมากกว่าคือเจ้าของเงินเพราะคนจะกังวลว่าเราจะมีเงินจ่ายให้เขาไหมแต่หลวงพ่ออาตมาไม่ทุกข์หรอก หลวงพประหย่อนได้ท่านท่านท่านเล่าเมื่ให้สัมภาษณ์เมื่อเร็วๆนี้นะว่าใ้ช่วงปีสองปีที่ผ่านมานี้เนี่ยชีวิตท่านเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงมากเลยเพราะว่าคนไม่เข้าใจท่านคนไปหาคนไปเข้าใจว่าท่านเนี่ยเป็นพวกแสื้อแดงนะเวลาท่านไปบินธาบากก็มีโยมบางท่านบอกเนี่ยทาไมไม่ผมจีวอนสีแดงมาบินาบาลนะแล้วก็แม้กระทั่งพระนิสสโนกเนี่ยหลายคนก็ไม่เข้าใจท่านหาว่าท่านเนี่ย แต่ปเป็นพวกเสื้อแดงถ้าบอกคนโง่นะคนโง่ที่มันพระเนี่ยจะอยูฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันไม่ได้หรอกนะถ้าอยูฝ่ายใดฝ่หนึันก็โง่ทั้งนั่นเองท่านเล่าว่าทุนช่าเครียดเนี่ยท่านจะนึกถึงมีคาถาหลวงพหลวงพ่พุทธทาสที่เตือนใจท่านได้ดีเป็นคาถาเอ่อ ตว่าความทุกนะข์คาถานี้สั้นๆว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์โวยกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์โวยนะเวลาเรามีความทุกข์เรามีความขุ่นใจนะลองใช้คาถานนะกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์โวยมันนึกดูดิๆต้องคนเราอีกไม่นานก็ตายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเหลืออยู่ตอนนี้เป็นเป็นเวลาที่มีค่า เวลาที่มีค่าแบบนี้เนี่ยเราไม่ควรรามาใช้ในการแบกความทุกข์ถ้าคุณเสียเวลาไปกับความกังวลเสียเวลาไปกับความทุกข์นะแล้วคุณโง่นะเพราะว่าเวลาคุณเหลือน้อยแล้วคุณไม่ควรเอาเวลาที่เหลือน้อยเนี่ยไปแบกความทุกข์ควรเอาเวลาที่เหลือน้อยเนี่ยไปทำความดีเก็บเกี่ยวความสุขนะ ถ้าคุณมีเวลาเหลืออีกสองสามร้อยปีนะคุณจะทุกบ้างกัมวลบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าคุณรู้ว่าสักวันนคุณต้องตายและจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเวลาแต่และนาทีมีค่าอย่าเอาเวลาเหล่านั้นเนี่ยมาใช้เพื่อแบบความทุกข์นะมันเสียของ สองข้อแล้วนะฮะยอมรับความจริงปล่อยวางแล้วก็ต่อมาคือมองแง่บวกมองแง่บวกนี่หม า, ายานะความว่ายังไรนะความหมายมั น, นคือว่าไม่มองเห็นแต่สิ่งแย่ๆให้มองเห็นสิ่งดีๆที่มันอยู่รายรอบสิ่งแย่ๆบ้างอย่ามองแต่สิ่งที่เสียให้มองสิ่งที่มีบ้าง อย่ามองสิ่งที่แยนะ่ให้มองสิ่งที่ดีบ้างเมื่อปีห้าสามเนี่ยมันมีการจราจลกลางคูณนะเราคงสร้าบดูแล้วก็มีการเผาฉุนการท่าไหลแห่งก็มีร้านสุ ก, กี้ชื่อดังเนี่ยโดนเผาไปสี่ร้านเพราะมีสาขาอยู่มากมายโดนเผาไปสี่สาขาผู้จัดการเนี่ยก็มารายงาน ให้กับซอีโ o ซนี่ก็เป็นเจ้าของนะครอบครัวก็เป็นเจ้าของสุกี้สมัยนั้นยังไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นกิจการของของครอบครัวผู้จัด ก, การก็มาในงงานแลเนี่ยร้านถูกเขาไปสี่สาขาเสียหายไปหลายสิบล้านแกเศร้ามากเลยไม่รู้อินโดนีเนียเลยนะแต่ว่าซีโอ ไม่เสียใจเลยยังยิ้มได้แล้วก็พูดเหมือนกับปลอบใจลูกน้องว่าร้านเราถูกเผาไปสี่สาขาแต่เรามีต้องส2มยี่สิบสาขานะแกไม่ทุกนะการที่การที่ลูกน้องเนี่ยเสียใจเพราะถูกเผาสี่สาขาแต่เจ้านายเนะี่ยมองว่าเอ้ยเรามีต้องสามรอยี่สิบ ยังเหลือต้องสามบนะจะทุกไปทำไมคูนะับพูดง่ายๆนะเวลาเงินเราหายนะถูกเงินเราหายไปพันสองพันเนี่ยหลายคนทุกมากเลยถ้ามองแบบถ้ามองแบบซีออนนี้เนี่ยมันก็มีเหตุผลที่จะทุกเลเนะเพราะว่าเงินหายไปพันหนึ่งแต่ว่าเรามีต้องเป็นหมื่นเป็นแสนจะทุกไปทำไมใช่ไหมโทรศัพท์เราหายเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีมากกว่ามากกว่า มีมูลค่ามากกวโทรศัพท์นี่เป็นร้อยเป็นพันเท่ามองแบบนี้บ้างสิเราจมัวแต่หมกมุ่นแต่เงินหายเงินหายไม่กี่ร้อยเท่านั้นที่เรามีเนี่ยเป็นหมื่นเป็นเป็นแสนเป็นล้านมีเด็กมีพี่คนหนึ่งนะแกเกิดมาเนี่ยพี่น้องสองคนเนี่ยเกิดมาก็เป็นโรค ก, ก็ป่วยนเพราะโรคธาลัสซีเมียธาลัสซีนเมียนี่เป็นโรคกรรมพันธุ์ คนไทยเป็นภาหา20ล้านคนนะไม่รู้ว่าตมาเป็นผ่าหรือเปล่าถ้าพ่อกับแม่ที่ซึ่งเป็นาหาแต่งงานนะลูกเนี่ยเป็นทรัสเมเนเต็มที่เลยหมอบอกว่าเธออยู่ได้ไม่เกิน120แต่เธอก็อยู่ไดู้่ถึง30กว่าแล้วร่างกายแครกแกล้งตาโปงอ่อนแอกระบุ ก, กระดูกปรอะล้มเมื่อไหร่ก็ขาหักแขนหกัก ต้องรับเลิศเป็นประจาแต่สองคนที่มีความสุขมากคนน้องเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสามสี่ปีคนซึ่งไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แล้วก็ร่างกายอ่อนแอแต่มีความสุขไปเป็นดีเจอขึ้นวิทยุคลางความสุขสมัยที่ไอวิทยุมันยังไม่ถึงธุรกิจครอบครองรมากก็มีคนถามว่าทําไมเธอมีความสุขทั้งที่เธอเนีไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เลือดเลือดสุขภาพเธอก็ไม่ดีเธอบูก ด, ดีเธอบอกว่าเนี่ย ถึงแม่เลือดฉันจะแย่แต่ฉันก็ยังมีตาเห็นสิ่งสวยงามฉันยังมีจมู ก, กลมดีนหอมยังมีหูฟังเสียงไพลราะกินอะไรก็อร่อยอ<า>เดินเหินไปไหนก็ออยังเดินเหินได้และจะ ค, ความสุขเป็นเรื่องง่ายซับซ้อนความสุขเป็นเรื่องง่ายทั้ที่เธอเนี่ยนะสุขภาพแย่แต่เธอก็มาว่าเลือดฉันแม้จะแย่แต่ว่ายังเหนืฉันดีหมดเลยหลังรู้ที่เป็นมะเร็งนะโอ้ภูมใจนะ ข้อมหมุ่มมุ่นมือไกปอดกับเคราะหรื อ, อลาใส้จะเป็นกระเรียแต่ไม่ลองมองให้มันกว้างกว่านั้นบ้างเลยเฮ้ยเรายังมีตาเห็นสิ่งสวยงามหูเราก็ยังใช้การได้เราก็ยังสามารถเดินเดินไปไหนมาไหนได้อันนี้เรียกว่ามองแง่บวกคือมองเห็นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ไม่โวแต่จดจ อ, จด จ, อจดจ้องจดจออยู่สิ่งแย่ๆ คนที่มองแต่แง่ลบเนี่ยก็จะมองเห็นแต่สิ่งที่เขาเสียไม่เขาไม่มองเห็นสิ่งที่เขามีคนที่มองแง่ลบจะองเห็นแต่ร่างกายที่เจ็บป่วยไม่ได้มอ ง, องเหงนอวัยวะส่วนอื่นที่มันทำงานได้ดีลองมองแงอ่กดันดูบ้างเวลาเราเตอวิกฤตนะเราจะพบวะโลนังนะถึงแม้ว่าธุกรกิจเราจะล้มละลาย งานเราจะล้มเหลวนะแต่เราก็ยังมีพ่อมีแม่เรายังมีลูกที่อยู่กับเราเรายังมีสุขภาพที่ดีเรายังมีงานที่มั่นคงเรายังมีอะไรอีกอะไรต้องหลายอย่างนี่คือการมองแง่บวกมองแย่บวกในความหมายที่แม่แม่แม่มองว่าอนาคตจะโชติช่วงเฉชวานแต่มองเห็นในความจริงในปัจจุบนันว่ามันยังมีสิ่งดีๆมีกับเรานะ ไม่มองเห็นแต่สิ่งที่เสียแต่มองเห็นสิ่งที่เรายังครอบครองอยู่แล้วคุณจะมีกำลังใจทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะการทำให้ช่วยให้ใจไม่ทุกนะยอมรับความจริงปล่อยวางแล้วก็มองแม่บุตคราวนี้เนี่ยอีกข้อนึ่งนะที่อาตอมาจะพูดวคือว่าต้องที่จะรับประโยชน์จากมาัน คนฉลาดเนี่ยนะอะไรเกิดขึ้นก็รู้จักหาประโยชน์องค์พระองค์ลีมาเนี่ยครงสนทนากับพระนันทิยะเกี่ยวกับเรื่ อ, องคำสองพระเจ้าพระองคลีมาทพ่งบทใหม่ก็ถามพระนันทิยะว่าพระองค์เจ้าสอนอะไรพระนทิยะก็ พ, ะะพูดน่าสนใจมากพระเจ้าบอกพระนันทิยะบอกว่าพูดเขาพูดว่าพระเจ้าสอนว่านะ ให้ปล่อยข้างหน้าข้างหลังและท่ากลางอย่ายึดติดอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันถ้าเขาด่าว่าท่านบนบกให้ปองคําด่าว่านั้นบนตรงลงตรงนั้นอย่าเอาลงน้ําถ้าเขาด่าว่าท่านในน้าให้ปองคําเหล่านั้นไว้ในน้ําอย่าเอาขึ้นบส ถ้าเขาด่าว่าท่านในมือก็กองเอาไว้ตรง น, นั้นอย่าเอาแบกเอาไปที่เชตวันอันนี้เรื่องปล่อยวางนะเสร็จ แ, แล้วก็พูดถึว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าบุคคลที่หาประโยชน์จากอิทธาลมและอนิธาลมได้พระพุทธเจ้าสารเสริญผูดได้ว่าเป็นบัณฑิตอิทธาลมก็คืออารมณ์ที่น่าพอใจรู ป, ปรัตถิ์ินเสียงที่น่าพอใจ หรือว่าการได้ล่าการได้ยศการได้ควาสารเสริมสุขเป็นต้นอันนิถา ร, รูปก็คือรูปรบเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเช่นคาต่อว่าดา่าฟออาหารที่ไม่อร่อยแดดที่ร้อนรวมทั้งการเสรื่อมลากเสื่อมยศดินทาละทุกบุคคลที่หาประโยชน์จากอั น, นิถารวมได้เนี่ยคง้องสารเสรนว่าเป็นบัณฑิต เวลาของหายเวลาเจ็บป่วยก็สามารถจะหาประโยชน์จากมันได้เหมือนกับคุณลุงโรเจอร์เนี่ยที่ถูกแทงปางตาแต่ก็ได้สติได้คิดว่าอะไรก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่าประมาทชาวพุณเราเนี่ยต้องรู้จักหาประโยชน์จากทุกอย่างที่เกิดขึ้นรวมทั้งเวลาเจอสิ่งที่ไม่น่า้าใจเจอสิ่งที่ขัดใจ เวลาหลายคนไม่ชอบนะอะไรที่ขัดใจเจอสิ่งที่ขัดใจแต่คนฉลาดนะเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ขัดใจเนี่ยเขาจะเอามาใช้ประโยชน์ในการขัดจิตขัดใจให้สะอาดขัดใจมีประโยชน์นะขัดใจเนี่ยมันสามารถจะขัดเกลีจิตใจเราให้สะอาดสามารถจะขัดชาระกิเลสออกไปจากใจได้เวลา ใครพูดแม่พ่อขเราแล้ว เ, เราสึกขัดใจเนี่ยนะมันแสดงว่าเรามีอัตตาเรามีความคิดมั่นถือมั่นในอัตตาถ้าเราเห็นตรงนี้แนละ้วว่าเราขัดเราสึกขัดใจเพราะาเรามีอัตตามีมานะเราก็จะต้องพยายา ม, มา ท, าทางที่จะลดอัตตาลดมานะแล้วเราก็มองว่าเออไอการเจอคําตอบว่าด่าทอก็ดีเหมือนกันนะมันช่วยลดอีกโก้มันช่วยทําให้ อัตราเล็กลงเบาบางลงคนฉลาดเนี่ยเขาจะมองแบบนั้นอะไรที่ขัดใจเราเนี่ยขอจ้ามาใช้ประโยชน์ในการขัดจิตขัดใจให้สะอาดชําระกิเลสให้มันเบาบางลงคุณเล็กปริยพันธ์เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของมือโบราณมือโบราณที่กุงเทพและที่สมุนอะธิปักนาบเนี่ยแล้วเจ้าของบริษัทวิทยาประกันภัยนะั้นคุณเล็กเสียชีวิตไปแล้วแกนวยมาก แต่แกเป็นคนน่าสนใจแกเคยพูดว่าวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอภิมงคลไม่มีใครชอบคําตําหนินะแต่สาวคุณเล็กแล้วเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาอะไรแกถือว่าเป็นมงคลวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอภิมงคลวันไหนถูกตําหนิวันนั้นเป็นมงคลเพราะว่ามันช่วยทําให้แกได้เห็นข้อบุกคร่องแล้วก็มันช่วยทําให้มันช่วยลดอัตราแกได้เพราะว่าคนรวยๆเนี่ยหรือเจ้านายเนี่ย มักจะมีแต่คนชมมีแต่คนสารเสรือ จ, จนเหลิงหรือว่าลึกลมตัวลึกลงตนพอมีคนมาต่อว่าม า, าวิจารบ้างมันมช่วยทําให้กลับมาสัมผัสว่าเราเป็นบุรุษชนไม่ใช่เทวดาเราไม่ใช่ซุปเปอร์แมนเรามีทมศวิพาดได้มันช่วยลดอิโค่ช่วยลดอัตราเังนนสิ่งที่ขัดใจเราเนี่ยนะถ้าเราใช้ประโยชน์จากมันนะมันจะช่วยขัดกิเลสให้ออกไปจากใจเราได้ มันจะช่วยขัดจิตขัดใจเรให้สะอาดได้เนะีย่ยไปจะไปเป็นทุกข์กำลังแต่ใช่ไม่ให้เป็นประโยชน์เจ็บป่วยเจ็บป่วยก็สอนธรรมะได้อาจารย์พระพุทธาสบอกว่าเนี่ยป่วยทุกทีก็ให้ฉลาดทุกทีไม่มีใครอยากเจ็บป่วยนะแต่ป่วยเมื่อไหร่นะก็พอให้ลองมองหาประโยชน์จากมันว่ามันสอนอะไรเรา มันสอนเรื่องตายรักให้กับเราใช่ไหมหลวงพ่อมเขียนซึ่เป็นหลวงพ่อขอตบาซึ่งเพ้นมอนุภาพาพไปเมื่อสิงหาที่ผ่านมาถ้าเราว่าท่า น, าาานตอนที่ท่านป่วยหนักนะพอมาเร็งเนี่ยลูกสิกก็มาร้องหมร้องไห้นะท่านก็บอกผู้ที่ดูแล้ ว, ว่าเนี่ยพวกเนี่ยป่วยทั้งนั้นเลย ตัวหลวงพ่อไม่ป่วยส่วนคนที่ล้องของร้องให้นี่ป่วยทั้งนั้นเลยป่วยใจท่านบอกว่าตอนท่านรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาฯท่านสบายมากเลยเพราะว่ามีคนทําให้ทุกอย่างเลยทีว่ก า, าก็มีคนซักให้นะอาหารก็มีคนทําให้นะมีคนแม้กรั่เชิญเลยเชิญตัวก็มีคนทําให้ตอนท่านหนักมากอยู่ห้อไอซียูท่านบอกว่าเนี่ย <mm เวลาป่วยต้องทำอะไรหร่ะ แค่มองมองเห็นไตรักก็ร์แล้วไตรักเพื่นที่จำทุกอย่างดานตามันโชยให้เราเห็นมันก็เที่ยงจำเพื่อนท่าบอกว่าเนี่ยความเจ็บป่วยมาเตือนให้เราฉลาดมาเตือนให้เราเห็นไตรักมาเตือนให้เราเห็นความไม่เที่ยงสังขารมาเตือนให้เราปล่อยวางในสังขารนะั้นนี่เรียกว่าหาไปอยู่ในความเจ็บป่วย ในสารกุกลารมีพระหลายรูปที่ท่านบรรลุธรรมตอนเจ็บป่วยนะเพราะว่าความเจ็บป่วยทำให้ท่านเห็นทุกข์อย่างชัดเจนจนกระทั่งเกิดความแจ่มแจ้งในสายธรรมเข้าใจพระไตรลักษณ์แล้วก็ปล่อยวางได้จิตทุพพละกิเลสแต่ถึงแม้ไม่ต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมมากแต่ถ้ารู้จักไครท่ทวเนี่ยก็จะเห็นประโยชน์จากเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้น เมื่อปี54นียมันมีน้ำท่วมใหญ่ที่กรุงเทพแล้วก็ภาคเหนือนะก็สึ้นเนื้อประดาตัวกันเยอะแยะนะเป็นแสนเป็นล้านเพราะน้นมาทัพาพลาทับสมบัติไปบางคนภูมิใจมากจนเครียดบางคนฆ่าตัวตายพราะน้ำท่วมทำลายเอาทรัพสมบัติไปแต่มีคนหนึ่งด้อยู่แถวอยู่ถวนครสวรรค์ แกไม่ทุกเลยแกบอกว่าเนี่ยน้ําท่วมมันก็มันก็ดีนะมันได้สอนให้เราเห็นว่ามันได้สอนให้เขาเห็นว่าไม่มีอะไรจะเป็นของเราเลยไม่มีอะไรจะเป็นของเราเลยทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวแล้วถึงวันวันหนึ่งมันก็ไปน้ําท่วมเนี่ยมาสอนทำมาให้เขา ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงอันนี้ได้กาไรนะครับได้กาไรเสียซักไปแต่ได้ธรรมะถือว่าได้กาไรเพราะซักเนี่ยมันหาใหม่ได้ขอให้มีเงินเนี่ยก็จะหาซักซื้อซักกลับมใหม่ได้แต่ธรรมะนี่เงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้เลยนะเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ของเนี่ยมีเงินถึงซื้อได้แต่ หรออกี้ไม่มีการมีนคนมาให้เลยซ้ำแต่ธรรมะให้กันไม่ได้และธรรมะเนี่ยก็ไม่สามารถซื้อด้วยเงินมันก็เกิดจากการมีปัญญาแล้วต้องเกิดจากเหตุการ์บางทีเหตุการณ์จะเป็นเหตุการ์รายๆเนี่ยกลับเป็นประโยชน์ครับนางที่สาวคงจะมีเสียลูกแต่ที่ยงเล็กแต่พราะเสียลูกเนี่ยทำให้นางเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน นางปตจราเสียลูกสองคนเสียสามีเสียพ่อเสียแม่จนกระทั่งเกิดตะคุ่มครั้งแต่ใ น, นที่สุดเพราะการสูญเสียนั้นทําให้นางได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันแล้วได้บวชตังนั้นเป็นพระอรหันต์รวมทั้งนั้นกิสาขตมีด้วยความทุกข์มีประโยชน์นะความทุกข์เนี่ยมันไม่เพียงแต่ผลักเราให้เขาหาธรรมแต่ยังสามารถจะเปิดใจให้เราได้เห็นธรรมมากได้ด้วย ขอให้พวกเราเนี่ยนะต้องหมั่นไคร้ควนเสมอ เ, เวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าเอาแต่รนะค ร, รั่งครวญนะไคร้ควนครั่งครวนนี่กับไคร้ควนต่างกันเยอะเลยนะครั่งครวนญมีแต่ขาดทุนสุขภาพาก็แย่งานก็เสียแต่ถ้าคุณไคร้ควนเนี่ยคุณได้ธรรมะคุณได้สติแล้วมันจะช่วยคุณได้เมื่อสักเท่าตีก่อนมีพี่คนหนึ่งนะั่นเป็นนักศึกษา ปีสปี4เธอชื่อเคทเธอเป็นมิที่สวยได้รับเลือกให้เป็นดาวของเธอเลยอาชีพว่างๆเธอสมัยนั้นก็คือเป็นพริตตี้สมัยก่อนพริตตี้นั้นก็ไม่ได้แต่งตัววอกแวกเหมือนสมัยนี้นะสมัยนั้นตอนนั้นยังไม่มีเฟ e บุ๊กแต่ก็ มีโปรแกรมอื่นที่ทำให้เธอได้รู้จักผู้ชายคนหนึ่งติดต่อกันติดต่อกำลังผู้ชายคนนั้นก็หลงรักเธออาจจะได้เห็นภาพของเธอด้วยรูปถ่ายของเธอด้วยก็ได้นัดเจอกันผู้ชายสารภาพรักกับเค้กแต่เค้กบอกว่าไม่ได้รักเธอแบบเพื่อนแลบะบแบบแฟนแค่รักแบบเพื่อนเคบค้ากันแบบเพื่อนผู้ชายโปรธมาก ปวดทำไงฮะอ น, นังปกดสาวหน้าเธอเธอเสียโฉมทํงางใบหน้าเลยตาบอดไั้ข้างหนึ่งคนซึ่งเคยภูมิใจในความสวยงามของตัวพอเสียโชมเนี่ยนะไม่อยากอยู่แล้วอยากฆ่าตัวตายแต่ว่าควนึกถึงแม่ความนึกถึงแม่นะทำให้เธอตัดสินใจที่จะไม่ฆ่าตัวตายแต่เธอเขาบอกว่าเธออยู่ที่เธออยู่บ้านโดยไม่ไหวแล้ว เพราะว่ารู้จักอยากไปที่ไกลๆที่ไม่มีใครรู้จักเธยไปในที่ที่ไม่มีใครเคยเห็นหน้าเธอตอนสวยเธอรู้สึกอับอายตกลงก็เลยย้ายไปที่อื่นผ่านไปสีห้าปีเค้กเนี่ยกลา ย, ยาคนใหม่ทุกวันเนี่ยเธอก็นั่งรถไฟฟ้าไปทำงาน ที่สนาคารแห่งนึ่งเธอเป็นพนักงาน c เซ็นเตอร์เพื่อนก็รักเจ้าหน่ายปรารกและเธอไม่เคยปิดตามหน้าตามตัวเวลาเดินทางขึ้นรถไฟฟ้าเคยมีคนมาทักเธอว่าคุณชื่อเคสใช่ไหมเธอก็ตอบอย่างหน้าละรื่นว่าถูกต้องแลคถ้าเรียนเรียนแบบเรียนปัญญาเพื่อนคุณนถูกต้องและครับเธอไม่มีทีถ้าอายหน้าตามตัว ที่กับเมื่อห้าปีก่อนเคยมีคนมาสัมภาษณ์เธอว่าเธอเกลียดผู้ชายคนนั้นไหมเธอแค้นเธอเบียบายผู้ชายคนนั้นหรือเปล่าเธอตอบน่าสนใจเธอบอกว่าปล่าเลยไม่มีความโกรธเกลียดแค้เลยให้อภัยกัแล้ว เวลาเธอเอเธอเวลาเวลาเธอเย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่ถูกทงประสาทหน้าเนียเธอกลับขอบคุณเหตุการณ์นั้นด้วยซ้ำเพราะมันทำให้เธอเนี่ยได้ได้ชีวิตของเธอได้เปลี่ยนแปลงไปสองอย่างก็คือหนึ่งเหตุการณ์ทั้งนั้นเนี่ยมันทำให้เธอเนี่ย ได้อยู่กับแม่มากขึ้นดูจกครอบครัวมากขึ้นเพราะ่าถ้าเธอชงสวยอย่างนุ่ักครั่งเนี่ยเธอคงจะหลงไปกับแสงสีคงสูงไปการการเทีเ่ยวเตยแต่ทุกวันนี้เธออยู่กับบ้านมากขึ้นได้อยู่กับแม่มากขึ้นข้อที่สองสำคัญมากคือบอสเนี่ยมันทําทให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นการที่เธอเสียโฉมจากเหตุการณ์ทางด้นเนี่ยมันทําให้เธอได้ได้ตระหนักว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงเลย มันได้สอนอให้รู้จักปล่อยวางเธอบอกว่าเนี่ยหน้าตาเธอเนี่ยถึงแม้ไม่เสียวันนี้ไม่เสียวันนั้นเนี่ยสักวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมไปเสียไปเมื่อแก่ชราแต่การที่มันเกิดขึ้นกับเธอตอนนี้เนี่ยมันก็ดีทําให้เธอเนี่ยได้รู้จปล่อยวางแล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เธอเจออะไรเนี่ยเธอก็ไม่ทุกข์แล้วเพราะเธอปล่อยวางได้ใครก็จะมองเธออย่างไร ใครก็จะรู้สึกไม่ดีกับหน้าตา่างเลยอะไรเธอไม่เธ อ, อไม่สนใจเธอไม่ทุกไปแล้วเพราะว่าปล่อยวางเห็นไหมคคนเราเนี่ยแม้จะเกิดเหศร้ายนะเราก็สามารถจะอยู่กับมันได้โดยที่ใจไม่ทุกข์แถมเติบโตขึ้นแถมได้ธรรมะ ก, กลับมาด้วยคนยังเชืนี่นะ ได้นหน้าตาเธอนี่จะแย่กว่าเมื่อถ้าปีก่ก่อนแต่เธอมีความสุขกว่าตอนนั้นมากความสุขไม่ได้ที่ว่าไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราซึ่งเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราแต่ความสุ ข, ขอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะจัดการกับมันอย่างไรเราทําใจกับมันอย่างไรในบางที่ว่าในอนาคตเราจะเจอวิกฤตจะเจอ กับความทุกข์ในชีวิตเนี่ยเราก็สามารถจะเป็นสุขได้เราสามารถจะได้กําไรจากเหตุการณ์เราทั้ได้อันนี้คือสิ่งที่เราทุกคนเนยควรจะมีควรจะมีประดับใจฉะนั้านี้เนี่ยธรรมะเราเนี่ยมันจะเป็นทํามันจะเป็นภูมิคุ้มกัน ร, รักษาความทุกข์ของเราเรามีภูมิคุ้มกัน ร, รักษา ภูมงกันโรคแล้วต้องมีภูมคุ้งกันความทุกข์ด้วยต้องมีภูมิคุ้งกันวิกฤตในชีวิตด้วยเรามีหรื อ, อยังภูมคุ้งกันนี้ถ้าไม่มีก็ต้องไปไปหาไปไปเสริมหาจากไหนก็หาจากประสบการณ์ชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ย ถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็นมองให้ถูกนะมันก็สามารถจะต่อเติมภูมิคุ้มกันความรุนกันของเราเคือทาให้เรามีธรรมะมากขึ้นลองไปฝึกดูนะครับสามอย่างที่ธรรมานแนะนำเนี่ยยอมรับความจริงปล่อยวางแล้วก็มองแง่บวกและสุดท้ายพยางหาประโยชน์จากมันธรรมเช่วยได้ว้าไม่ว่าคุณจะเจอวิกฤตอะไรก็ตามคุณก็จะก้าวข้ามมันได้ไม่ว่าจะเป็น ความเจ็บความป่วยความพลาพลาดสูญเสียหรือแม้กระทั่งความตายถ้าเราใช้เวลาผสมคัวแล้วนะก็คงจะยุติได้เพียงเท่านี้ถ้ามีเวลาขอเชิญถามได้ไหนที่ไม่กระจ่างก็เชิญ